อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ520 1้ิบหนึ่งภิกษุทำลูกดุม2อภิกษุทํำตะบันไฟ3าภิกษุทําลูกทวินวงเล็บห่วงร้อยสายประคด4ีภิกษุทํำกลักยาตา5้ภิกษุทําไม้ป้ายยาตา6กภิกษุทํำฝักมีดเจ็ภิกษุทํำกระบอกกรองน้ํา8ดภิกษุวิกลจริต9กภิกษุต้นบัญญัติ สูจิคาราสิกาบทที่4จบ